ตอนเจ้าตอนเย็นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมของพวกเราถ้ากลางวันเราก็ทําเพ่นเพียนกันจเจริญสติเป็ส่วนตัวเราได้ยินสิงที่เราได้ทําเราได้ทํำสิ่งที่เราได้ยิน แล้วก็เป็นงานศึกษาปฏิบัติไปในตัวยมเช้านี่เราก็สาธยายทำตรวจเจริเสริญให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือใครไม่ใช่ว่าว่ายพระพุทธโบราณท่านว่าว่ายพระพุทธจะให้ถูกต้องคำ ว่ายพระธรรมย้ายถูกใบลานว่าพระสองอย้ายถูกโลกถูกหลานชาวบ้านคือใครเราก็สวดไปแล้วเราก็ไปเป็นภาษาไทยที่เรารล้จกักพระบุริเจ้าเป็นบาหารทำไมจึงเป็นปราหารเพราะตับพิเลตข้างเส้าหมองหิตใจ ของพง์ตัดเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของพงศ์มศึกษาด้วยตนเองมาเจริญสติเราทำอยู่ในขณะนี้ก็ถามลอยเท่เพื่อลเนี่ยแต่ว่าเราไม่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพแต่นั่งอยู่ที่หัวใย ศาลาเดินจำกลงอยู่ตามเห็นโค้งตามที่ต่างๆเหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันมันคิดก็คิดเหมือนกันมันโศกก็สุกเหวือนกันมันทุกข์ก็ทุกข์หวือนกันมันหลงก็หลงเหมือนกันเราก็มีสติมีสัมผัญญีถอนความพอใจและความไม่พอใจที่มันหลงมันโุกมันทุกข์ออกในโลก เราก็ทำเหมือนกันกับพระองค์แต่ตอนเราก็สังเสริญสาธยายท ำ, ออ ท, ำทำคืออะไรทำก็ทำคืออะไรพระพุทธเจ้ามายึ่ทองคำมันคืออะไรคือคุณ้ทำคนทำอยู่ที่ไหนไ้ท่องไปจำเอาหรือไม่ใช่ทำไม่มีทำไมมันมีขึ้นเจอแล้ว ผู้ถึนเบิกบานในหัวใจของเราถอนความพอใจความไม่พอใจสุขทุกข์ออกมีเต่สติมีเต่สัมผัญญาไม่ใช่ว่าทองคำถือคุณธ ร, รมถจนจบคุณของพระพุทธเจ้าชีสปดคาถา เราสัดอีกทีสวดพรวาลังธรมาสัมโตปควาวิจารณาธมบันโุตโตโลกทุนทุว่าเส้มารีาวจังกุตโตวติแต่ว่าถ้าไปเราเป็นขุนธรรมทั้งนั้นประทังคืออะไรประทัก็คือุนธรรมไม่ใช่คำพีไปลานประทัเป็นยังไงปฏิบัติได้ให้ผลได้เจะใหติเราทำได้ นี่มีความหลงเราลูกสิบตัวความหลงหายไปผมรูกสิบตัวเข้าไปแทนได้ไหมทำได้ไหมมันทุกไม่ทุกได้ไหมเปลี่ยนความทุกเป็นคนไม่ทุกได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนคนไม่ความโกรธเป็นคนไม่โกรธได้ไหมเนี่ยให้ผลได้ไหมไปอ้อนวอนใครมาช่วยเราเวลาเราโกรธอ่ะกูได้ด่มันกูก็หายโกรธมันไม่จบไม่สิน้น คือโดยข้ามันกูก็หายโกรธไม่จบไม่สิ้นเวรย่อมละงัดเพืการจองเวเอาชนะความโกรธ้วยความโกรธเอาชนะความทุกข์ดยความไม่ทุกข์นี่ิบัติได้สอนเองนี่คือพระธรรมหอย่างที่เราเห็นแล้วพอมาเจริญสติเมตตาโลกหน้าโลก โูกเราก็เห็นมันทุกเราก็เห็นมันหลงเราก็เห็นมีชิตใจมีชำชจะมันจะไปทางไหนมันจะคิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดไปไหนสิปีมันเรามาคิดมันวิ่งไปข้างหน้ามันวิ่งคืนข้างหลังจิตใจเราเราจยงไม่หลักมีมิมิติม่ได้ ก, ก่อไว้ งั้นเราไต่สะพานที่ไม่ดีเราต้องมีลาวจับพอได้อาศัยไปให้ข้ามสะพานได้เหมือนเราก็อายุมากขึ้นก็อาศัยไม่เท่าเวลาฝนตกนะ่ะเดินแม่มันคงเหมือนมาหนุ่มก็อาศัยไม่เท่าพอพออยุงตัวเวลาเจไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลัง อาเสดได้โบราณตั้งยังว่าลูกเต้าอากาศตันโยไม่เท่ายัางดีกว่าอากาศตันโยที่ไม่รู้บุญคุท้องพระแม่ไม่ดูแลเนี่ยพนะระแม่ก็อาศัยไม่เท่าแกเท่าเข้ามาพออาศัยไปการเจริญสตินี่เอามาเกาะไว้ที่กาย ถ้าเรารู้สึกเป็นปัจจุบันถ้าไม่มีที่เกาะมันไปทางหน้าคนหนุ่มก็ยิดมไว้ทางหน้าคนเชลาชิดขึ้นข้างหลังวิ่งไปวิ่งมาไม่มีประโยชน์เลยเลยแต่หน้าก็ทําอะไรไม่ได้ข้างหลังก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อวานก็มีอยู่เกิงแต่เราทําอะไรไม่ได้เมื่อวานนี้ ผู้แม่ก็ไม่อยู่จริงแต่เราทำอะไรไม่ได้พวกนี้แต่เราทำวันนี้เท่านั้นที่มันทำได้ปัจจุบันนักธรรมเราจริงงาวิธีที่อยู่ปัจจุบันห้เห็นปัจจุบันปัจจุบันคันก็มันก็เป็นอดีตปัจจุบันมันก็เป็นอนาคตได้ถ้าเราทำดี จววงนี้จววหน้ามันก็ดีไปถ้าเรามีสติจววงนี้จววงหน้าก็มีสติไปถ้าเราหลงจววงนี้จววงหน้ามก็หลงไปถ้าเราสุกเราทุกข์ก่เป็นสุกเป็นทุกข์จววงหน้าไปเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นจริตไปอาจารย์มาสอนแล้วเนี่ยมันผิดไหมสอ น, น, น, นอย่างนี้ชวนกันรู้อย่างนี้มาดูแลตัวอย่างนี้ก็ยังมีปัจจุบัน ตั้งไว้ให้รูดเึกให้รูดเึกเอากายไปจุ่มมกความรู้เึกเอาใจไปจุ่มมอกความรู้เึกอย่างนี้อ่ะให้ามันติดเราไปจุ่มมกความหลงเราไปจุ่มมอกความสุขความทุกข์มันก็ติดตรงนั้นไปกายของเราเนี่ยมันกับผ้าใจของเรามันกับผ้าสีขาวไปติดไปติดไปเพื่อนเลยมาก็เป็นสีนั่นไป ไปเหเล่ามันก็ติดเล่าไปสูปุรีก็ติดปุรีไปเที่ยวเตรก็เนนั่นงตาล่งหัวไปด้วยมันก็ติดไปแต่นี่มันติดโทรศัพท์มือถือหน้าหน้าไปยืนคุยไปเดินคุยจาเป็นไหมใช่จำเป็นไหมแต่เราจับมือถือ หลวงพ่อก็มีกระโปนงเงันเ ก, กินแต่ว่าช่วยนะเขาจำเป็นจำเป็นยังไงเวลานี่วันนี้ว่าจะไปตัดหูหูหายหูหายพอตัดเครื่องใส่หูให้มันหายไม่รู้หายตัวไหนสองวันเนี่ยถ้าไปตัดใหม่ จะโทรไปหาหมอทรยบานเชพพมมาไหมทงบาเชพพรมไม่มีนะเ <c oughs> าจะโทรไปหาหมอว่าจะข อ, ข อ, ขอตัดหูทิพย์ที่โรงพยาบาลเชพพรมเราจะนัดตอนบ่ายโรงพยาบาลเชพุรมไม่ดีดีอิแรงจร่กำลยงของจะดวกให้ตั้งแต่เก็บแค่ได้ป่วยมา ไปไม่ต้องเข้าคิวให้ไปนั่งอยู่ในห้องเขาก็โทรได้ <c oughs> นี้เราโทรไปถ้าไม่ติดต่อก็เสียมารยาทวนันนี้ถ้าเราจะไปหาใครต้องติดต่อก่อนเพราะเขาจะได้รู้ว่าเราไปามารยาทวันนี้เป็นอย่างนี้ กายใ้สเลิประโยชน์เพราะฉะนั้นจไปติดอะไรมาตาอ้าตาหูจะโบดินกายใจอ่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้รียว่าสอนตัวเราไม่จุ่มงอวกความรู้สึกตัวแต่มันเติมเพื่อนเลยมา อะความรักของมจางควา ม, ม, วา ม, วาม่ตกกงวลเศ้ามองก็ลูบจิกตัวเหมือนกับผ้าที่มันเต้นมาซักแล้วถ้าลูบจิกตัวทีใดมาศาสแล้วสิ้นกรรมแล้วไม่คิดอีกแล้วหรือรว่าชิ้นกรรมไร ก, กรรมแต่ยังคิดเรื่องเก่าเรื่องเก่าอยู่ก็มีกรรมเลยไปในคอนโบุรี เพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสุบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบมันอยากสูบก็จึงสูบเพราะสูขมันก็ติดเพราะติดแล้วมันก็อยากเป็นวิบากกรรมวัตตะสงสารแล้วก็ตัดเสีทีเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดคือการกระทำ คือคิดคือทมแบบนี้เรามาทำกรรมดีล้างออกรู้สึตตัวลู้จึกตัวเนี่ยอะไรกันมันจะมีแบบถ้ารู้สึกตัวว่าสะอาดเห็นภร ม, มจรรย์ที่ว่าพระพุทธภร ม, มจรย์นี่คือพระธรรมคุณธรรม ลวควค้ความชั่วทองความดีทำจิตเ่บริสุทธิ์ความชั่วเละจังไงมีสตินี้มันก็รักความชั่วแล้วมีสติอยู่นี้มันก็ทำความดีแล้วมีสติอยู่นี้จิตมันก็บริสุทธิ์แล้วจริงๆเรื่องนี้ลองดู เมันแล้วลำไบเคลื่อะไรโอ้ยมีสิน้นเลยจึงรู้มีสินแลวจึงรู้มีแล้วยึงเห็นเป็นแล้วจังรู้โอ้ยสินกนคือพาพาคภาวะคงปกติมั่นคงไม่หวั่นไหวมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวแล้ว โอ้ยเราเอาใจสินมาหลายวันแล้วไม่ผิดสินแล้วไม่ไปคิดเรื่องใดไม่ได้ไปทําเรื่องใดไม่ได้ไปพูดเรื่องใดมีแต่รู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยไม่ไ ท, ทําบาตรทำกานเลยมีสินแล้วใม้วันไหวสินคืออะไรสินมายจากก็ว่าก้อนหินศิลาชิลาชิลา ศิลาคืออะไรศิลาคือก้อหินถ้าว่าศิลป์มาจากว่าศิลาแต่ภาษาสันจิตว่าศีลแต่เป็นไปไปภาษาไทยแล้วว่าปกติศิลาก้อนหินมันไม่หวั่นไหวลมพัดมันก็ไม่หวั่นไหวมเหมือนนุ่นมัเหมือนเข้ารีบ ไม่้ถึงใจของเราตาของเราหูของเราไม่หลงไปในตาในรูปไปหลงไปหูในเสียงไม่หลงไปใ น, น, ในก ล, ลิ่นในจมูกไม่หลงไปล่นในรถไม่หลงไปด้วยกายสัมผัสไม่หลงไปด้วยกายใจคิดนักไม่หลอนไหวมีสติถอนความพอใจและความไมา่พอใจในโลกค ว, ความมีดีความไม่ร้ายความสุขความทุกข์เนโลกเป็นรถของโลกสัตว์โลกก็ติดอยู่ในรถตัวนี้ ทานเรายังเราวองเจ้าทำความดีโดยการเจริญสติมันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเรียกว่าทำพระสงฆ์หรืออไรพระสงก็ปฏิบัติดีดีต่ออะไรดีกว่าติต่อทุกอย่างถ้ามีสามีปัญญาก็ปฏิบัติดีต่อกัน จาทําให้เบียดเบีย น, ยนยทำจะทําให้เตินเป็นทุกข์แก่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อย่าทำจริงนะเดือดล้นอนฮะหลายอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องในโลกนี้มันขาดแคลนคนคนดีมันขาดแนคล น, น, น, นการทําความดีของคนทั้งโลกเพราะเคยเกิดวิกฤตอะไรหลายอย่างอะอะไรหลายอย่าง ป่าไม้ก็ถูกทำลายน้ำก็เสียอากาศก็เสียดินก็เสียองา์พระ้ศักดิ่สทธิ้องเดินธรรมยถา mm hmm. เป็นปีที่แปดปีที่ 9, เก้าไปประกาศให้คนได้มาช่วยก็ประกาศไปบอกว่าป่าไม้ลองไห้ แม่น้ำล่มป่วยแผ่นดินเป็นธรรมชาตอากาศเป็นพิษป่าไม้ล่องให้ไปเยินเหงาได้ยินไหมเสียงป่าล่องให้ไปไหม้ตัดข้อล่มล ง, ลงแม่น้ำล่มป่วยอาไปได้กินไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมีแต่สารพิษแต่ก่อนนี่ เราไปเล่ยไปนายกินน้าลอยวัวลอยควายวกวัววกควายได้ น, น้าเท่านาเอามายินได้ไปตัดน้าเท่านามากินได้ไดไดแต่นี่มันกินไม่ได้เพราะมันมีสารพิษเยอะแยะแม่แต่น้าในวัดเรานะ่ะอะไรมาจากไร่ชาวบ้านชาวบ้านเขาเขดกด็ํามมกโซนเีดสะพากใส่ปุ๋ยเคมี ไหลเชะลงมาอยากไล่ชาวบ้านเวลานี้ออกมาทังสวนยางพาราเขาไม่จ้างคนดายาเขาใช่สปาแค่กมกโซนปราบจ้าก็าประหยัดดีแต่ว่ามันพิษต่อจิงวัโล้อมแต่กมโชนนี่ขีดลงไปถ้ามันแดงแดงจะฆ่าห้าส่วนจ้ะส่วนหนึ่งก็ ไปปราบยาแป้กาางก็ตาจเกงๆยี่สิบเปอร์เซนวนหนึ่งก็เอาไว้ในเดนเนี่ยี่สิเอร์เซนวันหนึ่งก็ไปตามอากาศยี่สิบเปอร์เซนส่วนหนึ่งก็เข้าหาเราผู้ฉีดผู้ใช้ในมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนเรายังมีผลตรวจรอนเหมือนกันน้ำในห้อยบเนี่ยมันไหลมาจากไร่ชาวบ้าน ใช่ไม่ได้เลยอันที่เป็นจ่าข้างบนน่ะเอาลงไปตุ่มไปคันขาใช่ไม่ได้มีคนมาบอกก็น้ำส่าวัดยังไม่เต็มหลวงพ่อปล่อยน้ําเข้าไปได้ไห ม, ไมต้องปล่อย ล, ออล่ะไม่รอาน้ําป่าที่เป็นไรชาวบ้านเข้าไปในจ่ะเราก็ใช้น้ำจ่าเนี่ยน้ำจา่าเนี่มันมีแต่อยู่ในวัดมันจุ่มลงไป ให้นี้ที่ไหลมาเราเปลี่ยนทิศทางให้มันวิ่งไปทางอื่นเราก็ต้องป้องกันปันนี่แล้วมันจึงอยู่ได้ไม่ว่าการมอกโซนที่ไหนก็วันกันเตะน้าก็สื้อน้ำกวดกินแต่เราที่ยังมีน้ำผลดื่มใช่เครื่องกรองใช่ ลดไปแต่ก่ไม่ได้มีเครื่องกรองเครื่องแกงอะไร <c oughs> <c oughs> พิดของอะไรพิดของคนดีขาดคนดีคนไม่รับผิดชอบทิ่งขยะไม่เป็นที่หลายอย่างรับป ร, ประกาศไปป่าไม้ลงให้แม่น้าลงป่วยเป็นน้ำพลาพาิคนเราไปปาบยญ้านะถ้าเป็นดีนี้ขาดยญ้าไม่มียญ้าแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ ใช่หรือไม่ลองคิดดูหญ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตเป็นแหล่งที่เกิดของทุกสมพงทสิ่งถ้าดินไม่ยีหญ้าปูกขึ้นก็ขึ้นถ้าดินไม่มีหญ้าปูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีคุณภาพมันมีชีวัต ถ, ถุคนเราก็ชีวิตของเราก็ได้จากป่าจากพืชเกิดมานี่ เล่นน้ำลงป่วยอากาศก็ต้องนี่อางแอร์แล้วรถก็มีแอร์แล้วก็มีแอร์กันแล้วต้องซื้ออากาศหายใจต้องซื้อน้ำดื่มต้องซื้ออะไรทุกอย่างแล้วแต่ที่มันจะเกิดเรามาช่วยกันแต่้าอย่าบีเบียนตัวเดีอย่าบี เ, ดเดบเียนคนอื่น <c oughs> ปฏิบัติดีนะ ถ้คนมาทำความดีคนในโลกเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคนถ้าห้าพันกว่าล้านคนเนี่ยจะช่วยกันไหมซิคนดีคนเดียวไม่พอเราจึงช่วยกันเรารับความช่วดเราทำความดีทำจิตบริสุทธิ์แล้วเราก็ไปช่วยคนอื่นให้เขารับความช่วยให้เขาทำดีให้เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องเป็นพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วย ไปประกาศธรรมยตาไปตีข้องรองเปล่าไปลองรอบตัวเราดูซิภูเขาโค้งโลกนี้ลุ่มน้ำลำปตาเทาต่อไปนี้มันจะเหลือแต่หาดชายลำป้าเทาจะไม่มีน้ำเพราะเปลามันหมดแล้วไปก่อนนี่ ลัมบะทาวเน่ถ้าจะลงลัมบะทาวก็มีที่ข้ามที่ลงจะได้ว่าถ้าเวอาถ้าทางเพียนถ้าม้าไปถ้ากอกถ้าเห็นลมมันต้องมีถ้าลงมันชัน๋ยวนีลงที่ไหนก็ได้มันมันไม่ชันละลงไหนก็ได้มันฝังมันจุดจงแผ่นดินมันไหลทับลงมาอ่านี่ก็ ให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้ตรนไหนที่เรามาไหลเ้าก็ปลูกกอไปปลูกกอกวยปลูกขาปลูกเข่งไปปฏิบัติดีแค่มันดีปฏิบัติตงไม่รสงค์คือใครคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติหลอกจากทุกตรงต่อหน้าที่ตรงต่อการงานตรงต่อเวลาตรงตัดสินตรงต่อทำตรงปตือพู้บนุตตรงต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ใครจะปฏิบัติตรงมอบให้ห ม, หมูลุงพอ่อไม่ใช่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตรงมีอะไรหนะ้าที่อะไรตรงอย่าทําให้มันผิดปฏิบัติออกจากทุกออกให้เป็นทุกมันโกรธเปลี่ยนความโกรธจนมไม่โกรธมันทุกเปลี่ยนความทุกจนความไม่ทุก ปล่อยตัวเองเป็นโกดนอนอยู่กับความโกดข้ามวันข้ามคืนไม่ใช่ปฏิบัติออกเาะทุกเลยแม้เป็นปรางญ์หมอลบหมาวาเหลืองก็ไม่ใช่พระพระคือคนนุนธรรมบราชญ์คือขุนธรรมเขยินไหมวัดป่าสุกโตเขาพูดอย่างนาาี้กันในขุนธรรมปฏิบัติออกเคราะห์ทุกอะไรที่มันเป็นทุก ไม่ทำไม่พูดไม่คิดแล้วไม่อะไรหลายๆอย่างต้องตัวเองและคนอื่นเชิงื่นด้วยปฏิบัติเป็นสถาบันสมควรจะมัม่งจะมอไม่เลือทล ก, กที่รักมักที่จางต่อที่สุดใจที่นี่เป็นสถาบันหรือว่าปฏิบัติ ด, ดีสถาบันของเราปฏิบัติ ตรงเป็นสถาบันของเราปฏิบัติโลกจากทุกเป็นสถาบันของเราปฏิบตัติสมัคเสมอคงหน้าคงเช่นคงว่าเป็นสถาบันของเราสถาบันเองเคยชีวิตของเหล่านี้นะฮะทุกคนรับหน้าที่ทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าคนทํานี้มันจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องสร้างมันขึ้นมามีสติมีจ้ำจัญญะนี่นี่แหละ ต้นตอบบดาของความดีไม่มีชื่อไม่มีขายเอาให้กันไม่ได้เราต้องมาทำเองเรียกว่าตนเป็นเพิ่งของตนคือพึ่งความดีได้พึ่งการกระทําของตนได้เราจะมาสร้างสติการเพราะแม่รักลูกเราให้ลูกไว้ได้ เราไม่มียาละกันจะให้กันไม่ได้ใครก็ตามจะลักกันทางไหนก็ให้กันไม่ได้ต้องทําเองต้องทาเองไปบอกไปสอนกันไปทําให้กันดูไปพูดให้ฟังไปทำให้ดูไปอยู่ให้กันเห็นมันช่วยกันได้จริงๆคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันตรงนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ร่วมโลกกันยังไงที่แต่คนทํำลาย วันนี้ก็ไปสอนเนนเห็นเาขากวดน้ำทิ้งไปในสระว่าให้มาเจ็บซะถ้าไม่เจ็บก็เอาเรือลงมาเจ็บแต่หาตัวเนนที่เอากวดโจนลงไม่ไม่พบก็เลยบอกแนนก็หนังแปอวเรือมามาเจ็บขวดเจ็บกระดาษเจ็บอะไรนี่รอยอยู่ในน้ำนม่มันก็เป็นภาระราต่อกัน ขยะล้นว่านล้นเมืองแล้วทุกวันนี้ผมก็ เ, เคยไปสอนก่อนนะเขาพาไปเที่ยวพาไปเทีเ่ยวเขาชวนเขาก็ลักเรานะ่ะพราเราสอนเขาแต่ที่เราสอนเขานะ่ะเขามาขู่เราก่อนเขางาขยี้เรา ออกมาี้หน้าเราขอของโกรธว่าคนเอเชียพระเอเชียมาสอนอะไที่นี่หลวงพ่อไปอยู่บัตนท่านนะมาไปเลยฮารเวิร์ดเคยไปไหมฮารวิรฮารวาร์วาฮารเวิร์ดฮาร์มายมีพลังเขัามาหลวงพ่อก็สอนอยู่ในห้องห้องก็มันออกจากห้องไม่ได้มันหนาวีปเอาแจ่น้ําไปตั้งงอกขวาก็เป็นน้าแข็งแล้วขาไปเยืนขี้หน้าแล้วก็ พุมาสอนดีทําไมคุณมาสอนดีเรื่องอะไรขอสัมภาษณ์ได้ไหมหน้าบูดบูด น, นะคงจะอ่ะไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ดูหน้าตาแล้วก็บอกว่าสัมภาษณ์ได้เข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็หลังพ่อก็นั่งอยู่พอก็นั่งอยู่แบบนี้นั่งอยู่แบบนี้ เขาคงมายืนชิหน้าคุณรู้อะไรครูมาสอนเรื่องอะไรแล้วว่าเขตอบว่านั่งลงนั่งลงคนที่ยืนอยู่เรานั่งอยู่เราจักไม่แสดงธรรมแต่คนที่ยืนอยู่อทำไงเราเป็นอย่างนั้นคนถืออาวุธอยู่เราก็ไม่แสดงธรรมแจ่คนถืออาวุธเราต้องสงบไปก่อนใช่ไหม หรืว่าเขาสังฆาจะกดเราแล้วก็โตต่อทันทีเตรียมมีดไฟจะแทงเขาเลยไม่ใช่แล้วเราต้องทําใจดีใจดีสู้เสือนะไล่มาก็ตามเราต้องยิ้มพหนั่งลงนั่งลงแล้วค่อยนั่งลงกําลังนั่งไม่เป็นมันเรานะมันก็นั่งมันก็ต้องขอโทษนะมันนั่งอย่างนี้นั่งกดจมัดนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้มันนั่งเนี่ย อบอกวานั่งเหมือนเราเนี่ยมันก็โอ้ยโอ้ยนั่งไม่ได้หงพอไปข่มเข่ามันโอ้ ย, อ ย, อยมันเจ็บแล้ ว, าา แ, ลวนนะแล้วมันนั่งลงแล้วก็หลายคนนัะงสามสี่คนบอกว่าอาตมารู้จักตัวเองที่คุณถามอ่คุณรู้อะไรมาอาตมารู้จักตัวเอง เขนลู่เพงเขาลูยังไงถ้าบอกให้เอามือวางไว้บนเข่างับเรานะยอ่าถ้าภาษาอังกฤษก็เอามือวางบนเขาก็เอาไใช่หมเอาไปเคลื่อนเลเคล่ึกนะอาถ้าบ้านเราก็รลู่จึกตัวถ้าบาลีก็สติจำเนี้ยถ้าภาษาอังกฤษก็เอา่เอาไปเอาไเอาไป ไปได้ก็บอกูรู้รู้นั่นแหละเอเวเอเวเอเวเอเวเอเวเอเวท่านผู้รู้ไหมเอเวรู้คนเคยรู้ดีไหมไม่เคยเช้าวันนึ่รู้ไหมไม่เคยรู้สามสิบนาทีรู้ไหมรู้อยู่นีไม่เคยรู้ ยี่สิบนาทีเคยรู้ไไม่ค่อยรู้สิบนาทีเคยรู้ไหมไม่ค่อยรู้คนรู้ไปรู้อะไรละ่ะคนไปดาโลกไปจังมาแล้วคนรู้นอกไปท่องฟ้าหมดเลยทาไมคนก็รู้ตัวเองอ่ะขูอะไรนใช่ไหอ่อาเพราด้วยน่นะชาติเราตงหลายเกิดอยู่ที่เขียว น, นั้นไม่เคยอยู่ที่ยุโรปอเม ร, ริกา เขาเกิดเชีย่ยเชียตั้งนั้นศาสตราตั้งหลายเขามารู้เรื่องนี้กันแล้วพ่อก็ขู่ไปเลยเทศไปเทศไปเขาขอจับมือหรอมันก็ฟังไม่ทาอะไรแล้วเช่นนั้นเช้นนั้นที่มันทำไมหลวงพ่อไม่มจับมันขอจับมือไม่ต้องทำไมโรา เขาอกเขาได้พบปอบตูต้คนที่เขาชิดจักจะพบเมื่อคนพบแล้วควรทำางไน่ะก็จะมาฆ่าเราไม่กล้าพูดทรอก่าเขาจะอยู่นี่กี่วันเราจะอยู่นี่สาวันหกวันอย่านี้เป็นไงนะพรุ่นี้เราจะพาพ่อเรามาให้คุณสนเราู่ที่อ๋อ เขาเพม่มมาางเขาก็กลับไปมันจะมาแบบเล็กน้อยพูกนี้มันจะมาแบบเลยกนออะอะแล้วก็นั่งรออยู่รอมาขับรถพื้นมาเอาพ่อมาเอาเก้าอี้มาแล้วก็จับแขนพ่อลงมาอ ม, มาให้หลวงหลวงพ่อสอนพ่อเขาก็ตั้งเก้ า, าอี้ตัวเขาก็อนั่งพอนั่งได้ หนึ่งวันสองวันก็ตั้งหัวเข่าก็ลงอ่อนลงอ่อนลงก็สอนเขาคายเป็นเพื่อนกันเลยเขาก็รักเราเขาชวนเราไปเที่ยวติ๊กติ๊กยังไงนะไปเที่ยวหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไปเที่ยวเรามาไม่ใช่มาเที่ยวเอามาสอนคนเขาก็ชวนไปสักหน่อยก็ดีนะไปกันเลยไป เขาก็สอนภาษาเกียร์ไทพูดถัดปรรหาคำสองคำสามคำไปก็ก็มันหมดโอกาสแล้วไตก็ไปกินอะไรพิซพซ่าเลยพิซซ่าเขาสั่งพิซาาพซ่ามาฉันส า, สามคนก็พิซซ่ามาก็ได้คนละแผ่นเขาให้เราพรลังว่ายินจับ หนกันให้เราก็เป็นพระเราจะไม่ฮึฮึเขาเขาก็กินเชิบเชิบเชิบก็ดาดชกเอางแผ่นเท่านี้ เ, เราพ่อก็ซ่อมจินเขาก็จินมไปจิ้ไปจินมไปกระดาษกว่าจิฟ้ฟพิซ่าแผ่นน้อยเท่าฝ่ามือใหญ่กว่านี้จะหน่อยกระดาษหมดไปเป็ น, นทิ้งกระดาษใช่ไหมอะไรยังเป็นหลือกระดาษพุ่งเฟือฟุ่งฟวยเขาไม่เอานะแม้แต่ซ้อนเนี่ยเขาก็ทิ้ง นน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เกียบเขาก็ทิ้งอ่าถ้วยน้อยๆเขาก็ทิ้งกินเราจริงไปทิ้งไปทิงไปแล้วก็ไม่ไดเกียบเขาก็ไม่ทิ้งล้างไว้ซ่อมเราก็เอาของเราไปปี่ต่อไปหลวงพ่อก็เอาถ้วยนน้อยไปด้วยไม่ทิ้งเหมือนเขาเอาไปมาเขาก็เอาอย่างเราด้วย โคตรโคตรเราทำ Good, Good. อะไรมันโคตรโคตรเรามีผ้าเช่ไห่ไเช็ดมือเช็ดปากแล้วก็ซักไปเขาก็ให้เราไปสาธิตการใช้เวชของนักปวดปเทศแล้วก็บินตาบาดให้เขาดูให้เขาทำท่าใส่บาทเขาลั่งเนี่ยให้เขามือเปล่าใสบาท <c oughs> แล้วก็เดิน เขานอนไเขาก็นั้งก็เกาะคนนั่งก็เกาะเป็นแถวที่แล้วก็นั่งก็เดินลแล้วก็มาแล้วก็มานั่งเปบาทอาหารต่างๆมาฉันข้าวทําขงๆมาฉันอยู่ไม่บาทอาหารที่เดือก็จับออกเอาถ้วยมาใส่จับออกพอฉันแล้วฉันหน้าก็ทำทานในน้ําแล้วก็มาล้างบาท ล้างบาทล้างบาดเดีเอาผ้าเช็ดมือของเราเช็ดบาทเช็ดบาทให้แห้งเราบาทไปด้วยนะเขาก็เขาก็ชอบนะเราไม่ทิ้งเลยของเขาเนี่ทิ้งไปเลยเพื่อนั่นพวกเรานะลองหัดประหยัดลองดูเดี๋ยวนี้นะอะไรมันก็แพงน้ามันแพงอะไรก็แพงแล้วข้าวสาร แต่ก่อนหลวงพ่อเกิดมาเนี่ยได้ยินพ่อแม่สอนต่อไปข้าวบาดละบ้องขวนมันถูกไหมทุกวันนี้บาทหนึ่งได้บ้องขวนเดียวเท่านี้เท่านี้เท่า น, านี้ของล่ามขวนเต็มได้เท่านี้บาดละบ้องขวนคนโบราณก็พูด่ะสมมุติว่าข้าวถังหนึ่งเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้ามาของใส่บ้องขวนเนี่ยจะได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิ บ, บ้องขวนญไหม ถูกเล้หรื อ, อ ย, ยังอ่ะเรายังหลงอยู่เหรือยังทุ่มเพุ่มพวย อ, อ, อ, อะไรมากมายอยู่เหรืออ่าต้องประหยัดช่วยกันใยสุดลุยสุดไล่เจ็บหมอมรอมลิบฝ่ายยันหมันเพียนอ่าทุกวันเนี้ยถ้าไม่ฉชนั้นไม่รอดชาติเราของในโลกอาหารในโลกนี้มีไว้เพื่อให้ทุกคนกิน่ง แต่ถ้าเราพุมเพื่อพรมเพยเพื่อเงื่ อ, เ อ, อนเ ร, เรามันก็ไม่หิไม่พอขาดแทนมันน่มันดีกเขาว่าส0นิปีมันจะหมดพรานหนต้องปฏิบัติสมควรสมควรการใช้ชีวิตของเรานะอย่าหลงอะไรเกินไปในโลกข้อมูลที่มันทำให้เราหลงมีเยอะแย ะ, ยะที่สุดเลย มาจากดาวเทียมมาจากท้องฟ้าอากาศเขาจองเอาโคเสื้อเอาอากาศเขาเสื้อเอาดาวเทียมมาเป็นผลประโยชน์เขาโวนให้เราหลงเขาได้ประโยชน์จากเราถ้าเราหลงเพียงแต่สิวนิดเดียวเขาโกจนาจนเราหลงเชื่อเขาโอ้ยอันตรายเราเสียวเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดเอาไปซื้อเขีนซื้ออะไรมาทากันหุ้ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องจําเป็นเลยนะ เขาก็จรจาให้เราหลงแล้วก็หลงแชมพูสะผมล่วงนัลงในโดยเฉพาะพวกผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเครื่องสำวางเนี่ยทันมากที่จุดเลยอันนี้ไม่ใช่หลงให้กูออมันฟุ่มเฟวยเกันไปแชมพูจากเมื่ก่อนเนี่ยเคยทำไหมถ้าไม่เคยทำจะสอนให้หลวงพ่อสอนไหมฮะอ๋อหน้า หม้อ่น้มชาวข้าวเนี่ยเวลาคนโบราณเขานึ่งข้าวเขาจะข้าวสารมาใส่หม้อ่หนามใส่แช่ไว้ต้าแช่ข้าวห ม, ม้มอ่หนามหม้อ่หม้อ่แช่ข้าวต้องมีของไครของมันข้าวลังใส่ก็เอาหนามเทใส่ให้เอามือนิ้วกลางนี่จุ่มลงไปให้ปลายมือถูกข้าวให้หนามถึง หมอเมอเนี่ยใช่ไหมแม่สอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่มีพ่อต้องดูแลน้องมาแช่ข้าวเยู่เอาน้ําเอานิ้วกลางเนี่ย เ, เ, เ, เอาน้ําเทใส่ข้าวเอาเนื้อกางหย่อนลงไปให้มันถึงข้าวไปดิ ว, น, ว น, น้ําขบวนี่้มามาจดตรงนี้ยข้าวจะขึ้นน้ําไปนึ่งแฉบแฉบออนแช่ข้าวเป็นไมพ้พวกเราอ๋อนี่สอนิ้วเหรอ ใช้วันนี้เขาใช้มือสองนิ้วนิ้วเดียวด้วยจําใบกดชีวิตปั๊บปับ้องทาอะไรไม่เป็นนะเมื่อเราแช่ข้าวแล้วก็เอาหัวดมาเอาข้าวออกใส่หัวตัดข้าวออกใหัวตัดข้าวออใส่หัวดแล้วก็หม้อหัวดเอามารองหม้อน้มไว้ต้องน้ําแช่ข้าวไว้แล้วก็น้ำข้าวมันแช่ลงไปนี่น้ำที่มันแช่ข้าวก็เอาเฉียบไว้แล้วก็มาวางไว้หนึ่งวัน สองวันยิ่งดีแล้วก็ค่อยคอยรินน้าน้ําแช่ข้าวมันจะขุนทีแรกแล้ววางไว้นานเข้ามันจะใส น, นอนก้นลงไปนอนก้นแล้วก็ลินน้ำหมวกที่ใสไว้อีกทีหนึงอีกเอาน้ําคนก้นน้าแช่ข้าวก้นก้นน่ะไปใส่ขันไปใส่ขันเอาเรื่องข้าวจบแล้วเอาน้ำหนะมวกคนกนน้าแช่ข้าวกน เอาสิขันไปข้างฐานไปมาจจะฟดขึ้นตกตบตกตบตบแล้วก็อ้อมรู้จักก้อมไหมที่ยอกคุดไหมเอาอ้อมบอเนียมบอลคุดถ้าไม่รู้จักไปดูที่กระตืบอ้อมก็มีคุดก็มีเอ้าไม่เคยเลยรู้จักคุดเหรอนคุดชร้อยเอาไปทอดใข่ไข่ก็ได้เอาไปเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเป็นยาได้ นะเวลาคนผู้หญิงผิดสำแดงขนจะหน้า ม, มวกใสกินแก่ผิดสำแดงได้ไปจากนั้นเราก็ลองควาสอนหมอโบราณโบราณใน่ไแล้วก็เาวัวราทอดกันมาเอาคุดหรืออ้อมหรือเงียมใบนันเอาไปใส่แล้วก็ค้นเอาบงมาหอมดีกว่าแชมพูสาวผม พอมาจากผมโลภโลกโลกโลภนะค่อยค่อยหวีออกหวีอกวอกก็ไปล่างเบาเบาล่างเบาบโอ้ยเลียมหยาบหยาบหยาบหยาบเลยผม <c ười> ออแล้วาไตั้งชื่อนะเอาไปชื่อเลยแล้วพ่อก็สอนให้ประหยัดเพราะว่าโลกทวันนี้นี่เลยปฏิบัติสมังเสมอจากคนป่วคนป่วยพระสมนะเนี่ย ถ้าจะอธิบายสามัญไปจบเรื่องคุณของขพุทธประทังประโฉมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราไปเชิดไปไหวพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียเราขอไปสี่ห้าเที่ยวหรอปีนี้เขาก็นื่องวันปีกอ่านื่องวันปีกวันที่หกมีน้าถึงวันที่สิบสี่คันงอนมาอาจารย์ไปจองงงกับจารย์สิทธิเนี่ยอ่ ไหว้พระพุทธ ใ, ใหญ่ถูรังคําไหว้พระธรรมใหญ่ถูลูกหลานประว่าพระธรรมใหญ่ถูกคัมภีรใบลานไหวพระสอใหญ่ดถูกหัวลูกหัวหลานคือคุณธรรมอธิปธรรมคือทําอย่างนี้แล้วก็วิธีเราก็สวดเมื่อกี้อาจารย์ชองจินพาสวดสติปัฏฐาน เป็นขั้นไปกายยาน ป, ประจสติปัฏฐานมีสติเห็นกายในกายมีสติจำเจะมีความเพียรอยากไปหลงในกายกายนี้จากว่ากายไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขายาณเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายร้อนก็คือกูหนาวก็คือกูหิวก็คือกูเป็นเวลาการที่เกิดทื่อไปขอบคุณเข า, น, า, น, น, า น, นะนั่งนานนี่มันก็ปวดก็เมื่อย เป็นฉุกเป็นทุกการป่วยการไม่เป็นเวทนาขอบคุณเขาที่เรามันมันจะงป็นสัญญาณภัยเขาให้เราช่วยเขาเราก็ช่วยด้วยความรู้จึกตัวทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการรู้ทุกบางอย่างกาําหนดรู้โดการกกบาาารรเทาถ้าหิวข้าวก็ไปกินข้าวถ้างร้อนก็ไปอาบน้ําถ้าหนาวก็ห่มผ้าน่าสงสารหน่าสงสารคนเราเนี่ย ไม่น่าจะหยีดฉาเบียดเบียนกันเลยน่าสงสารสงสารไม่มีขนหมันไก่ไม่มีเนื้อหนาะ อ, นะอันไหนเนี่ยเดียวเดย ว, ดยวต้องผมผ้าอาศัยอันเด่นมาช่วยมาช่วยกายคนดินก็มือนกันเห็นใจกันเถอพวกเราหยาเบียดเบือนกันมีโรคเวีเมียไปรักลูกรักเมียมีโูกเวียเต้าช่วยกันรักษาเมีพัญญาเนี่ยจะอยู่เป็นจุกเป็นจุกที่จดเลย แล้วก็กายก็ดีเวทนาก็ดีคิดก็ดีมันคิดนู่นคิดนี้อย่าไปเชื่อความคิดอย่างพวกพูดวันเนี่ยมันคิดอะไรขึ้นมาก็เชื่อมันทั้งหมดหรือไม่ได้แล้วความคิดมีสองอย่างอันลกคิดตั้งใจคิดเนี่ยต้องเลือกดีดีอ่าก็ อ, อย่ามีตนในความคิด ความพิษพาเราโกรธก็อย่าไปโกรธตามความพิษมันความพิษพาเราทุกข์ก็อย่าไปทุกข์ตามความพิดทำ ต, ต, ตามความโกรธความรักความยังไม่ได้ต้องมีสติมีสัญญามีความเปมเลี่ยนเข้า่งบำกิเลสมีสัมจะมีสตินี่มาอยู่ตรงนี้กันบ้านของเราบ้านของใจบ้านของกายนอกจากบ้านที่อยู่บุรรมัม นอกจากบ้านที่อยู่ที่ไหนก็ตามบ้านของเราเรือนกายเรือนใจของเรามีสติไม่สำัำจะอยู่ตรงนี้แล้วเลยอยู่มีสติสำจะแจ้อเลยอยู่อยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไม่ในภัยเลยชีวิตที่ไม่มภัยเขาเรียกว่าอาเลียเจ้าอาเลียเจ้านี่ยไม่หมายถึงเขาเหินนันป้านลูกขังแกงอย่างนี้นลงเชื่อกอย่างนี้อยู่บ้าน กับลกกับหลานอย่างพระพุทธเจ้ายังเอาอนาถบินกาเจฐีเป็นอาลัยะคุกคลตระกูลของพระเดียเจ้ า, านางวิสาขามาบ า, าจิกาเป็นตระกูลของพระเดเจ้าห้ามพิจูรไปขอตระกูลนี้ไม่ขอเก็ให้อยู่แล้วตระกูลของพระเดีเจ้ามีอยู่ทั่วทัวไปนะมีอยู่ทั่วทัวไป เราต้องสร้างขึ้นมายิ่งเอามาเป็นพ่อคนแม่คนอนะ่ะยิ่งเป็นแบบยิ่งเป็นอย่างนี้ลูกเราเราจะเป็นคนดีเอาเป็นตัวอย่างกันได้อย่าไป ท, ทําชั่วหรือเวลาไม่เข้าใจกันอย่าไปด่ากันผิดกันให้ลูกเห็นถ้าจะผิดทะเลากันยิ่งๆลูกนอนหลับก่อนจับแขนมาพูดมาเน่มาเน่ เจ้าพูดจังนั่นพูดจังไหนฮย่จังสัตว์นี่จังไหนงี้บอถามกันจะก่อนบางทีเรากดเรื่องขาเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะนั่นจึงถามกันจะก่อนเนี่อ่าถ้าได้ยินเราอย่าไปเชื่อให้เห็นกับตาเห็นกับตาแล้วอย่าไปเชื่อให้ถามดูก่อน มีเวลาไหมจะนุตินเนี่ะขอเล่าจากเรื่องอะไรไหมนิทานอะ <c oughs> ไรนิทานไห <c oughs> อเออเห็นกับตาได้ยินกับหูก็อย่าเชื่อไดเห็นกับตาก็อย่าเชื่อได้ฐานดูก่อนจะก็เชื่อม <c oughs> ีคนหนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆได้ห้าเดือนหกเดือนแล้วก็จําเป็นอ่ะ แต่เมื่อทวันเนี่ยถ้าแต่งสามีเพียญาแต่งงานกันแล้วไม่อยู่ด้วยกันดอกใบเขาเลที่ระ่าไปทำงานไปทำงาไปเจอคนเขอพ้นนั่นทองขอพ่นนั่นทองเขาก็เล่ยจับโจนผู้ไร่ไอคนนี้ก็วิ่งได้กับเขาตจนได้ติด ต, ตัวเองมาได้ไม่ไดไปพ้นขเขาวิ่งได้กับเขา เขาก็ไล่จับได้ทั้งใต้โจรทั้งไงไม่เป็นโจรเขาจับได้เขามีหลักฐานเอามาจากล่านนี้แท้ๆเขามาเขาจับติดคุกสิบกว่าปีสิบเจ็ดปีแล้วก็ทำลายหลักฐานไม่เครรู้จักอาหายคนเป็นคนดีนะแต่ว่าของนายเป็นคนไม่ีม่ยาก พอเดียวเกคุกมารับจ้างทำงานได้คิดถึงเนี่ยกลับมาบ้านแต่เนี่ยพอดีเป็นเพื่อนกันเดินทางเข้ อ, อกแก่บ้านมาไอ้ใ้เขาเดินเข้าไปในบ้านผูกแี้ทั้งบ้านก็เตรียมบุญหารแล้วว่าอาจาในของนคงเสีอชีวิตแล้วตั้งสิบเจ็ดปีพ่อแม่พี่น้องทุกคน้าจะว่าตายไป แต่คนที่เขาเดินเข้าไปไปเจอเพื่อนกันออกมาจากบ้านมาก็าาาถามกันเอ้ยถึงว่าเพื่อนตายไปแล้วงานเธอทำเวรทาระนอ๋อยังนะไม่ตายนะยเนี่ยไอก็อเพือพอออ่อนกะ็หลอกว่างานของเธอน่ะเอาพัวใหม่เราเชื่อไหมไปดูสิห็นเลยอ่ะไปเนี่ยจะเห็นอยู่เธอกันนั่นแหละทั้ง ก็อันนี้ก็ปิดคุกก็มีพระประเทศนะพระก็เทศเนี่ยหเห็นทางหูอย่าไปเชื่อเห็นทางตาอย่าก่อนเห็นทางตาก็อย่าไปเชื่อให้ถามดูก่อนจำไหมในใจมันหลวงพ่อเทศวันนี้จำไม่ได้ก็ดีนะก็อเออได้ยินทางหูเราหลวงพ่อบอกว่าอย่าเชื่อมันเราสวดกามาชนไม่เชื่ เวลาได้ยินก็อย่าไปเชื่อเวลาอะไรก็อย่าไปเชื่อไม่ต้องเชื่ออะไรหลายอย่างคือเจ้าไปแสดงธรรมให้กาลมาชนได้เห็ น, นทั้งยินมทั้งหัวไม่เชื่อแลอวเจ้าเนี่ก็ไปไปก็พบขั้มพอดีพอพบขั้มก็ไปดูผิวจริงข้าดูกันสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงก็คือเมียตัวเองจําได้ แต่ผู้ชายมือว่าใครกินข้าวเดียกันสองคนพอจิ้งข้าวอยู่แล้วก็ดูยังไม่ขึ้นนันเลยนะพอจิ้ข้าวเห็น um. แล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็เข้าห้องติดกันตัวนอนเห็นอไรเบียงฮะเห็นไหมเห็นไหมเอ้าเชื่ยังแบบโอ้เงียเอาผัวมาจริงๆเนาะเชื่อไหม อ <c oughs> เอ้ า, อาไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าให้ถามดูก่อนจึงค่อยเชื่อแล้วยังไม่ได้ถามดูเป็นใครกันแน่เนี่ยนะใช่ไหมยังตาหูก็ได้ยินแล้วตาก็เห็นแล้วแต่ฉันไม่ได้ถามดูเป็นใครอัตวัมันจะโกรธมันจะฆ่าด้วยไปเลิกเมียถ้าเห็นอย่งนั้นน่ยมีทางเินได้ น้อยคนที่ยกเนียให้คนเดินไปน้อยที่สุดนี่แต่อิจฉาดีเป็นปกันกลางสี่เบ็มแต่ได้ยินใหญ่ก็อข้ากันแล้วอันนี้ก็ขึ้นไปบอปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเนียก็จําชื่อจำเสียงของผัวตัวเงเลยก็เปิดประตูกมาพอเปิดประตูมาปปมเห็นนฮะผัวขงตนก็โกอดรองไห้ น้องให้ไม่ว่าเป็นผีก็ไม่แย่หนาะผัวของเราจริงๆน่ะขอร้องไห้จับเข้าไปนั่งไอ้ผัวนี่ก็ยังถามว่าใครเนี่ยนอนเนี่ยใครนอนอยู่เนะี่ยผูดหญิงก็ยังไม่พูดเพราะติบ้างดีใจก็ร้องให้เสียใจก็ร้องให้ใหกเ็เลยพูดว่าจะเป็นใครลูกของเราเองโ <c oughs> อเคเป็นลูก พอนี้ไปตั้งสิบเจ็ดปีลูกเอาเมีย6กเดือนก็ตั้งคันนะไม่รู้จักพอเกิดมาอายุสิบ็ดปีก็พ่ใหญ่แล้วนะโอเกือบฆ่าลูกตัวเองตายใช่ไหมถ้าได้ยินเห็นแล้วไม่ได้ถามดูฆ่ากันตายใช่ไหมอย่าดวนที่เวลากดอ่ะง่ายพูดก็ได้ทำใจทำใจก่อนนี่ตรวนี่เราดวนยิงจริงเวลากดอ่ะ ดวนไปท้งไหมดวนไปด่ากันไปด่ากันถ้าไม่ถ้าใจมันดีจะไม่ไปด่ากันดวอยาดวนที่เย็นเย้น่ะวาเย็นน่ะวาคกวนโกรธแม่จริงเราไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หายเราอ่อนหงนี่ก็จบวันบาวันนี้ห้ามมองเครื่องไปใจบินเถะบ่าออาจารย์ศิง